ตอนที่142ถึงเวลาที่ควรจะมีความรักคุณแย่ฉลาดจริงๆข้าบรรพบุรุษของเหวินโมต่ติดต่อกันมา3ารุ่นล้วนเรียนแพทย์แผนจีนเขาหน้าประสืดทอดกิจการจากบิดาแถมที่บ้านยังมีคลินิกการแพทย์แผนจีนเป็นของตัวเองด้วยนะคะอย่างนั้นหรือฟังดูแล้วไม่เลวเลยทีเดียวเจ้าชุนฮวาเอ๋อชมไม่ขาดปากทันใดนั้นนางก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งอย่างไม่มีปีไม่มีขลุยว่าบ้านเราเองก็ไม่เลวเหมือนกัน แน่นอนสิขพ่อของหนูเป็นถึงรองผู้บัญชาการกองพลน้อยประจำเขตทหารส่วนคุณปู่ก็เป็นท่านผู้เท่าเจ้ิญแห่งเขตทหารบ้านเราย่อมต้องดีอยู่แล้วคะลิวันเอ่ยเสียงเบาพลางเข้าไปกอดแขนเจ้าชุนฮวาอย่างออดอ้อนแถมหนูยังมีคุณย่าที่ดีขนาดนี้ด้วยคือเหือเด็กโง่คุณย่าของเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกท่านผู้เท่าเจริญเห็นหลานสาวคนโตไม่เข้าใจความหมายจึงเอ่ยเตือนด้วยรอยยิ้มที่คุณย่าของเจ้าพูดในความหมายคืออยากจะสืบดูว่าในห้องเรียนของเจ้ามีเพื่อนนักศึกษาชายคนไหนที่เหมาะสมจะมาเป็นนคคู่่รรอองหืเปลาสิ คุณยะคะตอนนี้หนูยังอายุน้อยอยู่เลยคิดเรื่องมีความรักตอนนี้ไม่เร็วไปหน่อยเหรอคะความจริงแล้วหลี่หวันมักจะมองข้ามอายุที่แท้จริงของตนเองไปเสมออายุทางจิตใจของนางนั้นค่อนข้างมากเมื่อต้องอยู่กับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ น, นางมักจะรู้สึกว่าพวกเขายังดูเด็กเกินไปไม่เร็วหรอกผู้ชายดีๆนะ่าต้องรีดจับจองไว้แต่เนิ่นๆเหมือนคุณปู่ของเจ้าสมัยก่อนนั่นไงเจ้าชุนฮวาเริ่มถ่ายทอดประสบการณ์ของตน แน่นอนว่าย่าไม่ได้หมายความว่าจะให้เจ้าแต่งงานเรดยขนาดนั้นย่าแค่อยากให้เจ้าลองมีความรักดูเสียก่อนช่วงเวลามหาวิทยาลัยนี่แหละที่ควรจะมีความรักที่สุดรอจนความสัมพันธ์ของพวกเจ้ามั่นคงแล้วค่อยพิจารณาเรื่องแต่งงานตอนนั้นคุณปู่ของเจ้าเองก็โดดเด่นมากมีคนตามจีบไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ย่ามองแปดเดียวก็เห็นถึงศักยภาพในตัวเขาผลสุดท้ายเจ้าดูสิตอนนี้กลายเป็นท่านผู้เท่าเจิ้ที่เกตนิยนอายุแล้ว ท่านผู้เฒ่าเจิงที่กเกษียณอายุแล้วได้รับสวัสดิการดีในทุกๆด้านอย่างน้อยค่าเลงดูยามชาราของทั้งสองคนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกทั้งลูกชายทั้งสองคนที่เกิดมาก็ล้วนโดดเด่นนี่ไม่ใช่แค่การพิจารณาเพื่อตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิจารณาเพื่อคนรุ่นหลังอีกด้วยคุณย่าคะหรือว่าคุณย่าจะถูกใจเหวนโม่เข้าแล้วหลหวานชะงักไปคุณย่าเออถึงหวนโม่บ่อยครั้งเมื่อครู่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นอึมย่ารู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่เลวเลย ตอนนี้คุณย่ายังไม่เห็นตัวจริงเขาเลยด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าไม่เลวแล้วหรือคะคุณย่าจะทำตัวเหลวไหลเกินไปแล้วท่านพูเทาเจิงเอ๋ยขัดขึ้นมาเจ้าจะไปรู้อะไรบรรพบุรุษของเขาเป็นแพทย์แผนจีนมาถึงสมรุ่นเด็กที่ถูกสั่งสอนออกมาจะแยกไปได้อย่างไรหากคนในสามรุ่นนี้มีใครสักคนที่ไม่ได้ความกิจการคงไม่รุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันหรอกสิ่งที่เจ้าชุนฮวาพูดนั้นฟังดูมีเหตุผลทีเดียวทว่าหลีหวานกลับไม่ได้มีความรู้สึกใดๆต่อเหวินโม่เลยแม้แต่น้อย คุณแยกคขาเขาไม่เหมาะสมหรอกคะ่ะไม่ชอบหรือเจ้าชุนฮาวาถามออกมาตรงๆรลีวันนพยักหน้าเขาเหมือนคนที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างประครบประ ง, งมในเรือนกระจกมากกว่าหนูไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอนะคะเพียงแต่เขาดูใสซื่อเกินไปหน่อยออที่แท้หลานสาวของแย่ชอบคนประเภทเจ้าเล่ยพทุเบาสีนะเออก็ประมาณนั้นแหละอย่างไรเสียก็ต้องเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยข้าว่าเด็กเขามีความคิดเป็นของตัวเอง เจ้าก็อย่ามัวแต่มานั่งกังวลแทนเขาเลยเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยก็เริ่มจะหาคู่เสียแล้วแล้วเรื่องเรียนจะทำอย่างไรยังคงต้องยึดถือการเรียนเป็นหลักอย่าได้ปล่อยให้สมองดีๆแบบนี้ต้องเสียเปล่าเด็ดขาดท่านผู้เท่าเจิงโบกมือพรางรินน้ำชาเติมให้ในถ้วยใบเล็กตรงหน้าหลีหว่านจนเต็มไม่ต้องไปฟังคุณย่าของเจ้าหลอกเลือกคนที่เจ้าชอบเองเถอะที่ข้าพูดมาทั้งหมดนั่นมันคือประสบการณ์นะเจ้าชุนฮวาแค่นเสียงหึทำไมนอกจากข้าแล้วก่อนหน้านี้เจ้าเคยหามาแล้วกี่คนกัน น้ำเสียงของท่านพูดเท่าเจิ้งแฝงไปด้วยความหึงหวงเจ้าชุนฮาวาถึงกับพูดไม่ออกนี่นางนะับว่าขุดหลุมฝังตัวเองแท้ๆไม่มีเสียนหน่อยก็มีแค่เจ้าคนเดียวนั่นแหละโกหกเมื่อกี้ฟังจากที่เจ้าพูดมาเห็นชัดๆว่ามีตั้งหลายคนทำไมตอนนี้เหลือแค่ข้าคนเดียวแล้วละ่ะจะเอาอย่างไรพวกเราอยู่ด้วยกันมาเกินครึ่งชีวิตแล้วเจ้ายัางคิดจะมา ส, สัางสรรบัญชีเก่ากับข้าอีกหรือข้าแค่ต้องการรู้ความจริงเจ้าอย่ามาหลอกข้าก็พอข้าก็จะหลอกเจ้านี่แหละ เมื่อเห็นว่าผู้เท่าทั้งสองทำถ้าจะทะเลาะกันยกใหญ่หรีหวานจึงรีบเอ่ยขัดจังหวะคุณปู่คุณย่าคะพวกเราอย่าทะเลาะกันเลยแค่เดียวจะเสียความรู้สึกกันเปล่าเปล่าตั้งแต่ท่านผู้เท่ากเกษียณอายุมาเขาก็เอาแต่ว่างานอยู่บ้านทั้งสองคนแทบจะหาเรื่องทะเลาะกันได้ทุกวันฝีมือการต่อปากต่อคำของท่านผู้เท่าเจิงนั้นพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้าครั้นจะใส่ใจเจ้าแล้ววันนี้หลานสาวคนโตของข้ากลับมาข้าตั้งใจจะทำของอร่อยๆให้หลานสาวกินเสียนหน่อย เจ้าชุนหวาค้อนขอบใส่เขานางพูดพลางลุกขึ้นเตรียมจะออกไปซื้อกับข้าวผักที่บ้านไม่ค่อยสดแล้วนางรู้ว่าหลีหวานจะกลับมาแต่ไม่คิดว่าจะกลับมาวันนี้เวลาค่อนข้างกระทันหันไปหน่อยข้าจะไปกับเจ้าด้วยเมื่อครูเพิ่งจะทะเลาะกันไปหยกยกพริปตาต่อมาทั้งสองคนก็เดินออกไปซื้อกับข้าวด้วยกันได้เสียอย่างนั้นชีวิตที่รักใคร่กลมเกลียวเช่นนี้ต่างหากที่หลีหวานอิจฉาชาติที่แล้วนางเป็นโสดมาตลอดชีวิตชาตินี้ดูเหมือนว่าควรจะลองมีความรักดูสักครั้งจริงๆ แน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรอให้บรลลูนิติภาวะเสียก่อนน้องสาวเสียงของเจ้งางเศร้าสิงดังมาก่อนที่ตัวจะถึงเสียอีกความยึดติดในคำว่าน้องสาวของเขานั้นรุนแรงมากจนไม่ได้พบหลีหว่านเขาก็เอาแต่ตะโกนเรียกแต่น้องสาวเจ้ากลับมาแล้วเจ้งเศร้าสิงมองหลีหว่านด้วยดวงตาเป็นประกายมหาวิทยาลัยของพวกเจ้าปิดเทอมเร็วขนาดนี้เลยหรือดีเกินไปแล้วต่อไปข้าก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของพวกเจ้าเหมือนกัน ถ้าจ้าอยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัย อ, อย่างน้อยผลการสอบปลายภาคปีนี้ต้องติดห้าอันดับแรกของห้องนะเสียงเนิบหน้าของเจิ้งหยุนชงดังขึ้นไม่อย่างนั้นก็อย่าได้หวังเลยท่านอะสองท่านทำร้ายจิตใจข้าแบบนี้ได้อย่างไรหรือว่าถ้าสอบไม่ติดห้าอันดับแรกของห้องแล้วจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้เจิงเซาซิงกำหมัดแน่นด้วยความรู้สึกไม่ยินยอมได้สิ่งแน่นอนว่าสอบติดแน่ความหมายของอาคือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกับเสี่ยหวานไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่เสี่ยหวันเรียนอยู่หรอกนะขอเพียงพวกเจ้าพี่น้องสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ค่าได้ค่าก็นับว่ามีคำตอบให้พ่อแม่ของพวกเจ้าแล้วทุกอาชีพล้วนมีจ่วงหยวนผลการเรียนดีไม่ได้เป็นตัวแทนของทุกอย่างขอเพียงเด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วอย่าไปกดดันพวกเขามากนักเลยค่ะลีชิงผิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลางสังเกตว่าพ่อสามีแม่สามีไม่อยู่เสี่ยหวานคุณปู่คุณย่าล่ะลูก อ้อคุณปู่คุณย่าออกไปซื้อกับข้าวเขาบอกว่าเย็นนี้จะทำของอร่อยๆให้ทานถ้ารู้ก่อนก็ไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวหรอกออกไปทานข้างนอกกันก็ได้นี่นาเจิ้งหยุนฉงคาดว่าพูดเท่าทั้งสองคงไปถึงตลาดแล้วตอนนี้จะพูดอะไรก็คงไม่ทนันอาหารข้างนอกทําอร่อยกว่าที่บ้านเราทําก็จริงแต่บรรยากาศการทานอาหารข้างนอกสู้ที่บ้านเราไม่ได้หรอกข้าคนในครอบครัวแน่นอนว่าต้องทานข้าวที่บ้านถึงจะดีที่สุดลีชิงผิงพูดพลางส่งลูกชายคนเล็กให้เจิ้งหยุนฉงอุ้ม แม่จำได้ว่าในตู้เย็นเหมือนจะมีซี่โครงหมูเหลืออยู่เดียวแม่จะเอาซี่โครงหมูมาตุ๋นน้ำใสไว้ก่อนพอท่านพอท่านแม่กลับมาจะได้ไม่ต้องทำอย่างอื่นเพิ่มอีกจากนั้นก็แค่ผัดผักเพิ่มอีกไม่กี่อย่างก็พอแล้วผมไปเองคราวก่อนพวกคุณบอกไม่ใช่หรือว่าอยากลองชิมซี่โครงแกะตุ๋นน้ำใสฝีมือชนนะคุณทำให้เป็นเสียหน่อยหลีชิงผิงรู้ว่าเจิ้งหยุนชงไม่ยากให้นางเข้าครัวจึงมองเขาด้วยสายตาจนใจ รีบอุ้มลูกไว้เถอะข้าตอนนี้ฝีมือการทําอาหารของฉันไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วถ้าไม่ฝึกฝนเสียบ้างต่อไปคงจะลืมเลือนไปหมดแล้วฉันจะทําอาหารให้ลูกเคยกับลูกสภปในอนาคตานได้อย่างไรกันพวกเขาอยากทานก็ทําเองสิคุณพักผ่อนเถอะเด็กๆนานๆที่จะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งคุณจะให้เด็กๆทําอาหารทานเองหรือคะลีชิงพิงหัวระออกมาเรื่อเขาเขะคุณอย่า ม, ามวัวเสียเวลาอยู่ที่นี่เลยซี่โครงแกะถ้าใช้เวลาตุนน้อยไปจะไม่อร่อยนะ